เรื่องคุณแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลัตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาเข้าสู่แคสตีกันเลยเจ้า ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดูหลวงพ่อทุกวันเลยลูกในอยากขยายจานจึงไปติดจานดาวทําให้น้องชายและที่วัดในหมู่บ้านซึ่งพ่ อ, องลูกก็เป็นพระอยู่ที่วัดนี้ด้วยค่ะแต่ตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตแล้วลูกขอความเมตตาหลวงพ่อฝันในฝันให้ลูกด้วยค่ะ พ่อแม่งลูกมีลูกทั้งหมดเจคนเป็นผู้ชายห้าคนผู้หญิงสองคนลูกเป็นคนที่ห้าครอบครัวลูกตั้งเดิมตั้งรกรากที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่จังหวัดหัวใจเกิดร้อยตัมมาพ่อกับพาครอบครัวย้ายไปอยู่หลายที่หลายจังหวัดแต่ละที่ติดไปอยู่นั้นจะเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าจะไม่มีใครจับจองเลย พ่อไปจะพาครอบครัวไปประกอบอาชีพทำไร่ทำนาครอบครวงลูกก็ตังตัวได้เร็วมากแต่ก็สลายเร็วคือ <c oughs> พ่อจะมีเงินมีฐานะบ้านช่างจะต้องมีเหตุเช่นเกิดไฟไหม้บ้านบ้านหรือถูกเขากลั่นแกล้งว่าค่าของผิดกฎหมายบ้างจนพ่อต้องถูกติดคุกอยู่ถึงสองครั้งไฟไหม้บ้านเท่าที่จำได้ก็ประมาณสองครั้ง จำไม่ได้อีกกี่ครั้งไม่ทราบครั้งหนึ่งที่เกิดไฟไหม้บ้านตอนนั้นลูกอายุสิบขวบเวลาก็ประมาณมตีสองขณะทุกคนนอนหลับแม่นะ่รู้สึกตัวก่อนใครออ <laughs> พอลืมตาขึ้นมา เ, ออเห็นไฟลุกแดงเต็มหลังคาบ้าน เ, ออเท่านั้นแหละ <laughs> แม่ก็ อ, อ, อืมตะโกนว่าไฟไมหม้ด้วยความตกใจ พร้อกับคว้าลูกคนเล็กวิ่งออกมาจากบ้านทั้งพ่อแม่และพี่ๆต่างก็วิ่งออกมากันจนหมดเหลือเพียงตัวลูกนี่นี่ที่ยังหลับไม่รู้เรื่องคือไม่มีห่วงกังวลเลยเรียกว่าไม่ห่วงไม่กังวลเลยทำเหมือนพระเตมีใบหรือเปล่าก็ไม่รู้หลับเป็นสุกน่ท่ามกลางไฟไหมแม่มองหาตัวลูกก็ไม่เห็นสิ จึงบอกกับพิชายกันโตว่าน้องอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนั้นพิชายอยูประมาณ18ปีรู้ได้ทันทีว่าลูกยังอยู่ในบ้านพิชายก็ได้นำผ้าห่มที่ติดตัวออกมานำไปชุบน้ำจนเปียกแล้วคลุมตัววิ่งฝ่าเปลวไฟกข้าไปในบ้านแล้วก็ใช้ผ้าห่มนั้นห่อตัวลูกออกมาอมลูกวิ่งฝ่าเปลวไฟออกมาด้วยความปลอดภัย ไปมาอย่างกลางกันหมดนื้อหมดตัวเลยแล้วก็ไปราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ภายในสมปีพ่อก็สามารถสร้างฐานะขึ้นมาใหม่ได้เห็นไหมจ๊ะพอมีกําลังใจเสแล้วอะไรกระเริ่มเล็กพอคิดว่าชีวิตไม่เป็นอุปสรรคทุกอย่างก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ครั้งหนึ่งพ่อก็ได้พาคราอบครัวย้ายไปที่จังหวัดสุราษฎร์แม่งลูกก็ได้มาเสียชีวิตที่จังหวัดสุราษฎร์ ก่อนเสียชีวิตแม่มีอาการปวดศรีรษะปวดก็ไม่มากนะเพิ่งฟังไว้ปวดไม่มากแค่พอรํา <c ười> คาญเคยปวดพอทนแม่ไม่น่าจะปวดอะไรเลยแต่ปวดอยู่8วันก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล<อ>ก่อนเสียชีวิตหนึ่งวันแม่มีอาการเบ ล, บลอจําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆเมื่อปีสีสอง หมอเองก็ยังสรุปสาเหตุไม่ได้นอกจากบอกว่าไม่มีอารมณ์หายใจหัวใจล้มเหลวหรือเปล่าไม่รู้นะหลังจากแม่เสียชีวิตแล้วพ่อก็มาบอกว่าแม่มานอนอยู่ด้วยทุกวันและบางครั้งก็เดินอยู่ในบ้านพ่อนอนลงไปทีไรแม่ก็จะมานอนด้วยทุกครั้งแต่พอมือเข้าไปจับก็ว่างเปล่า ผมคิดถึงมึงตอนแม่เสียชีวิตพ่อบวชให้แม่เจ็ดวันพอาะกลมาพ่อก็จัดการขายบ้านขายที่อยากลืมความหลังแล้วก็พาครอบครวัว ย, ยา้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุบลพ่อก็ออกบวชเลยอยู่ที่วัดใกล้ๆ บ, บ้านที่จังหวัดอุบลลูกได้นำเงินสามหืนบาทไปถวายท่าน ทา่านก็ได้นำปัจจัยนี้ไปสร้างกุฏิเล็กๆอยู่ลำพังและก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเห็นไหมเจ้าจว่าชีวิต ม, มีการพัดพลากเพราะฉะนั้นบวช ด, ดีกว่าพองลูกไล่ฟังว่าวันดีคืนดีจะมีผู้หญิงมีอายุใส่ชุดขาวกล้าผมนำอาหารมาถวายท่านบางครั้งก็มาทำความสะอาดกุฏิให้ ทุกครั้งจะมาประกฏตัวในวันพระพ่อบอกว่าได้เคยสนทนากันหญิงชุดขาดนั้นบอกว่าบ้านของเธอก็อยู่แถวแถวนี้แหละพ่อเคยชีย้มือไปที่บริเวณหน้ากระติกของท่านบอกกับลูกว่าแถวแถวนี้นะมีบ้านคนอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยแต่แปลกในหมู่บ้านนี้ไม่มีเด็กมีแต่คนมีอายุ มีคนสูงอายุแต่ไม่มีเด็กเลยบอกท่านก็บอกแปลกต่อมาลูกได้นำจานดาวทาไปติดตั้งให้น้องชายที่บ้านว่าพ่อได้ไปเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อในจอดาวทาที่บ้านของน้องชายพ่อก็เกิดความรู้สึกเลิศหลวงพ่อมากบอกว่าอยากจะไปกราบหลวงพ่อธรรมชัยโยโดยยงถามท่านว่าอยากได้จานดาวทำไหมเราจะนาไปติดให้ พ่ก็บอกว่าอยากได้แต่กว่าลูกจะได้เงินซื้อทีวีซื้อจานดาวทําก็ต้องใช้เวลาเก็บเงินอยู่ช่วงหนึ่งมาได้เงินครบลูกก็จึงนำจานดาวเทําไปติดให้ท่านในเดือนสิงหาคม2548อาสีสาธุท่านชอบมากแต่ดูได้เพียงสองวันท่านก็ต้องเขาร้องไจาบ้านด้วยโรคหัวใจ แล้วก็จะพูดถึงคุณคุณครูไม่ใหญ่เสมอเสมอว่าพ่ออยากจะไปกราบแต่บุญพ่อคงไม่ถึงแล้วท่านก็ บ, บอกลูกว่าพ่อทําวัดเองไม่ได้แล้ววัตรระนะสวดมนต์ให้ลูกสวดมนต์ทวัดเช้าเย็นสวดชัยมงคลคาถาและสวดพระปริธให้ท่านฟังตลอดเวลาใจท่านผูกพันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต่มาลูกเห็นท่าอาการหนักก็เลยเอาโบชัวสร้างพระประจำตัวไปให้ท่านดูพ่อก็ถามว่าสร้างองค์พระจะทําอย่างไรลูกก็บอกให้ท่านเอาปัจจัยมาอธิษฐานลูกจะเอาไปทําบุญให้ท่านกรรีบควักปัจจัยสามพบาทที่มีอยู่มาอธิษฐานแล้วก็ส่งให้ลูกลูกกรรีบนําปัจจัยเดินทางมาทําบุญสร้างองค์พระให้พอ่อที่วัดรฐมกายแม้ว่าเงินยังไม่ครบองค์ แต่ลูกก็อยากได้มาหาสุวรรณิธิไปให้พ่ออธิษฐานจึงขอผู้ประสานงานนำมาหาสุวรรณิธิไปให้พ่ออธิษฐานท่านมีหน้าตาแช่มชื่นมากลุกนั่งจากเตียงได้เองจากนั้นท่านก็พูดซ้ำๆว่าอยากจะมาหลออพระเองแล้วก็อยากจะมากราบหลวงพ่อธรรมชัยโยโาโม า, าสุวรรณิีิอยู่กับท่านได้คืนเดียว รุ่งช้าหมอ ก, ก็ให้ออกจากโรงพยาบาลบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วกลับไปกติได้คืนเดียวท่านกำมรณาภาพโรมศรลีอายุได้เจ็สิบสี่ปีบวชได้เพียงปีเศษลูกอยากบอกทุกคนว่ารอช้าไม่ได้แล้วนะ่ะต้องรีบมาสร้างพระกันเถอะรอช้าไม่ได้จริงๆเห็นไหมแจว่าท่านอยากมารอเองแต่แล้วก็ ได้รับมหาสวนธิทีไปเพียงคืนเดียวเท่านั้นก็มรณภาพแล้วช่วงครึ่งปีก่อนที่จะมรณภาพที่ฝ่ามือฝ่าทางพ่อมีจุดแดงๆเกิดขึ้นมีการเจ็บอรลคายเครื่องเหมือนโดนเข็มเทมจกนกระทั่งก่อนมรณภาพหนึ่งเดือนจุดแดงๆนั้นกับผู้พองเป็นหนองลักษณะแผลเหมือนถูกไฟไหม้เนื้อเปื่อยยุ่ยเหมือนหลุดออกจากกาันหมอบอกว่าเป็นโรค โลกอะไรหนังแข็งรักษาไม่หายพิลึกโลกนี้พี่ชายคนที่สามโดนข้อหาฆ่าคนตายต่างติดคุก15บ้าปีพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองขายที่ขายบ้านขายรถขายทุกอย่างไปสูกคดีความเพราะไม่อยากให้พี่ชายติดคุกแต่แม้หมดสิ้นทุกอย่างก็ต้องติดคุก พอจะคุกมาพ่อเลยให้บวชแทนพระคุณพ่อแม่บวดได้ไม่นายก็ลาสิกขามาดื่มเหล้าเหมือนเดิมล้างพลานพ่อแม่นักกว่าเก่านี่ไม่ใช่ว่าต้องเททุเบเผาสุราเมลัยเนี่ยเลิกปลิบปิดโรงงานสุราไปซะเลยพองลูกเหลือจะทอนยังไล่พี่ชายออกจากบ้านแล้วก็หายสาบสูญไปไม่ได้พบกันอีกเลยเป็นเวลาประมาณ1ิบปีแล้วค่ะ ส่วนทัลูกเองเนี่ยพอเกิดมาก็ทำาหาแม่ป่วยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่สามารถให้นมลูกได้และลูกเองก็ไม่ยอมกินนมแม่เพราะพอเห็นหน้าแม่ก็จะร้องทุรนทุรายออพอ่อเลยให้นมพ่อให้นมเองเออนมผงใช อ, อ, อย่าไปเข้าใจผิด <laughs> เลี้ยงมาจนโตแม้ลูกจะตจอจนหย่านมแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใกล้แม่เข้าใกล้ทีไรจะป่วยอดอดแอร์จนอายุเก้าขวบจึงหายจากอาการนี้พอลูอายุได้หยิบสองปีก็ได้รู้จักชาย้คนหนึ่งรู้จักกันไม่นานลูกก็รักเขาซะแล้วมันจะตายมันจะตายมันจะตายซะให้ได้ทั้งนั้นก่อนหน้า น, นี้ก็ไม่ได้รู้สึกรักเขาเลย ลูกก็ชักงงง ง, ง, งมาเกิดอะไรขึ้นสงสัยเอ๊ะทาไมเนี่ยเราถึงรักเขามากมายขนาดนี้เนี่ยชักสับสนลังเลรักเขาจนทนไม่อยู่ไหวต้องหนีตามเข้าไปจะมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วความรักที่มีอยู่นั่นก็หายไปแล้วก็แยกทางกันไปเราจะลูกสาวให้พ่อกับแม่เลี้ยส่วนตัวเลเองก็ไปทํางานหางเงิน แต่ชีวิตของลูปไม่ว่าจะทำมาค้าขายอะไรก็ขายดีมากเลยจนเจ้งหมดแล้วก็ใจดีคนให้คนเขายืมเงิน เ, ออเขาก็ขอลืมทำงานก็ถูกโกงค่าแรงออครั้งหนึ่งลูกไปทำงานต่างประเทศได้ผ่านศูนย์ส่งคนงานนจ้างก็บอกว่าเขาจะหักเงินสะสมไว้ให้ลูกเดือนละห0 0้อยบาทแล้วเอามาเมื่ อ, อไรจะคืนให้ ต่อมาเราออกผู้จะเอาเงินก้อนนี้ไปเป็นทุนค้าขายแต่เขาก็ไม่คืนเงินส่วนที่หักไว้แถมบอกว่าถ้าให้เธอไปแล้วศูนย์จะได้อะไรเงินของลูก 38,600 บาทเขาให้ลูกคืนแค่ 8,600 บาทส่วนเขากองไปได้ด้อ3ส0 0 0บาทคำถามกรรมใดทำให้ครอบครวัวลูกต้องอบยบที่อยู่อาศัยและที่ทำมา ก, กินอยู่หลายต่อหลายครั้ง แต่ละที่ที่ไปก็เป็นป่ารกร้างว่างเปล่าและบุนได ย, ยังทําให้ตั้งตัวได้เร็วแต่ละกระลมสลายไปอย่างรวดเร็วโดวยพายจะเกิดจากไฟไหม้บ้างจากการถูกใส่ร้ายบ้างเพราะกรรมใดคะกรรมใดทําให้พ่อตั้งติดคุกด้วยการถูกใส่ร้ายถึงสองครั้งและถูกไฟไหม้บ้านถึงสองครั้งจะจะไม่มีใครเสียชีวิตเพราะเหตุใดคะต้นเพลิงเกิดจากอะไรคะ กำเนิดต่อแม่แม่มีการปวดศีรษะก่อนตายท่านตายเพราะเหตุใดคะตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรที่พ่อบอกว่าแม่น่ยมานอนด้วยทุกคืนจริงหรือไม่คะหลังจากพ่อบวชแล้วหมู่บ้านที่พ่อเห็นอยู่บริเวณน้ากติเป็นหมู่บ้านของใครคะทําไมจึงมีแต่คนที่มีอายุทําไมเขาจึงนํา อ, อาหารมาถวายพ่อได้แล้วทําไมต้องเฉพาะเจาะจงมาในวันพระเท่านั้น เหต่ใดเขาจึงปรากฏตัวให้พ่อเห็นคะกรรมใดทำให้ฝ่ามือฝ่าทางพ่อมีจุดแดงเกิดขึ้นและก็ผพุพองเป็นหนองเหมือนแผลถูกไฟไหม้ท่านนึกถึงบุญสร้างองพระทำการจำตัวได้ไหมใจใสหรือหมองคะท่านมรณภาพแล้วไปไหนคะมีอะไรอยากบอกลูกๆบ้างกรรมใดทำให้พิชายนที่สามต้องติดคุกสิบห้าปีเขาฆ่ า, าคนตายจริงไหมคะ พ่อแม่และพิชารคนนี้เคยเกี่ยวข้องกันไปอย่างไรเขาจึงทําให้พ่อแม่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันเขายังมีชีวิตยอยู่ไหมคะพี่สไใภ์คนโตเคยฝันว่าพิชารคนนี้ได้มาขออยู่ด้วยจาะนันกตั้งท้องเขาได้มาเกิดเป็นลูกของพี่สะใภ้คนโตหรือเปล่าคะลูกมีกรรมใดมากับแม่คะพอลูกเกิดมาแม่จึงป่วยและลูกก็เข้าใกล้แม่ไม่ได้ เพรเขาใกล้แม่แล้วก็จะต้องป่วยอดอดอดแอดแอดและกำไดทําให้ลูกไม่ได้กินนมแม่ได้กินแต่นมพ่อเป็นนมผงของพ่อไปซื้อมาลูกถูกน้ำมันพลายจากผู้ชายคนแรกที่ลูกหนีตามเขาไปใช่หรือไม่คะกำไดพอมีลูกแล้วก็ต้องแยกทางกันเป็นเพราะกําไดลูกค้าขายแล้วก็เจ๊งหมดทุกอย่างขายดีจริงเลยเนอะทำงานโดนโกงข้าแรง แถมใครยืมเงินไปก็ไม่มีใครคืนลูกเลยคะลูกจะมีน้องสาวคนหนึ่งลูกรักน้องคนนี้เหมือนลูกลเราได้คาว่าพระรรมกายพร้อมกันกับลูกสาวของลูกทำไมลูกจึงรักน้องสาวคน น, นี้มากตัวลลกน้องสาวและลูกสาวเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรเราสามคนเคยสร้างบรมีคุณครูไม่ใหญ่และหมูขคณะมาอย่างไรคะ จำเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะจได้ครับลับตาฝันเป็นตุมนตาตื่นขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามป ร, ราการ์จ้าครอบครัวลูกตั้งอบายบที่โยใสยและที่ตามหากินอยู่หลายครั้งแต่และที่ที่จะไปจะตั้งเป็นป่าลกครางว่างเปล่าเพราะการนํ า, านทานในอดีตไม่สม่ําเสมอ คือบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำา น, น่แล้ว ก, ก็อีกชาติหนึ่งพ่อก็เป็นชายหนุ่มมีนิสัยนักเลงบางครั้ง ก, ก็เป็นนักเลงรับจ้างไลท่ที่ด้วยวิธีการต่างๆเช่นหาเรื่องใส่ร้ายบ้างเอาไฟเผาเรือนเขาบ้างลท่ทีเขาบ้างจึงทำให้มีวิบากต่างๆเกิดขึ้น แต่เวลาใจกว้างก็มักจะเลี้ยงเพื่อนบ้านได้บุญนี่จึงตั้งตัวได้รวดเร็วแต่สมบัติก็มีเชียววิบัติจึงสลายไปได้วยภัยต่างๆเช่นไฟไม่บ้างถูกใส่ร้ายบ้าง จ, <ด>จะคือบุญก็ทำกรรมก็สร้างอะละทำอย่างไรเขาได้อย่างนั้นป ล, ก Apple ลกูกแอปเปิ้ลก็ต้องเป็นแอปเปิ้ลปลูกกุ่นลก็ต้องเป็นนอ่านี่มนจะคุณไรนาดใช่ไหมจะ๊ะได้พูดถึงสโลแกนนี้ พ่อตั้งติดคุกด้วยการถูกใส่ร้ายสองครั้งและถูกไฟไหม้สองครั้งเพราะเกิดจากการที่เป็นนักเลงในชาตินั้นและก็ได้ทํากรรมดังกล่าวเบื้องต้นอและจำประสงค์ผลแต่ที่ไม่มีใครเสียชีวิตในไฟไหม้ก็เพราะไม่มีกรรมที่ทําร้ายใครถึงชีวิตจะ้ะคือทําไมฆ่าเขาเนอะใครทำยังไงมันก็ไม่ตายแม่มีการบทที่สาก่อนตาย ต า, ตายเพราะการฆ่าสัตว์ธรรม a h a และฆ่าขายได้มักใจะใช้วิธีทุบหัวเขีนทุบหัวปลาเป็นต้นทั้งใ น, นอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมและปัจจุบันใน้มาสงผลจ้าอีกทั้งตายเพราะหมดอายุไข่โดยโรคพยาธิขึ้นสมองเจ้า<อ>พยาธิขึ้นสมองอมันคลานเข้าไปเขยบขยิบเข้าไปนี่นึกว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรร<อ>นี่มันไปอยู่ตรงนั้น ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งสมวิตสภาพที่พออยู่พอกินก็ไม่สบายนะักแต่กรไปท่ก็อดตายด้วยบุญที่ทาอยู่ตามบ้างตามประเพณีจ้ะต้องทําบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ้ะท่านจะได้มีกินสบายขึ้นที่พ่อบอกว่าแม่มันนอนทุกคืนนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรด้วยความคิดถึงจ้ะ หลังจากพ่อบวชแล้วหมู่บ้านที่พ่อเห็นยุนหน้าบริเวณกุติก็เป็นหมู่บ้านของภูมิมะเทวาแถวนั้นแหละที่มีแต่คนที่มีอายุเพราะตายตอนแก่และก็มีบุญเพียงเท่านั้นให้ดีนะจ๊ะถ้าเป็นภูมิเทวานี่นะอยากจะสวยแบบภูมิเทวาต้องทําบุญก่อนให้พอสมควรในระดับภูมิเทวา ตายตอนแกก็ไม่เป็นไรเพราะตายภูบสาวเลยเอ อ, เ อ, อแต่ถ้าบุญเพียงพอแค่ภูมิทิวาในระดับธรรมดาตายตอนไหนอายุก็อย่างนั้นนะ<อ>ตายแปดสิบแปดสิบตายเจสิบก็เจ<อ>็ดสิบตายหกสิบก็หกสิบนี่แหละจ้เ<อ>ลืมมันลึกซึ้ง<อ>นี่ พอตายตอนแก่แล้วก็มีบุญเพียงทัานก็อยู่แบบชาวบ้านนะจ๊ะพ่อเห็นไปว่าเขานำอาหารมาถวายเพราะเขาบันดาลให้เห็นและอดีตตอนเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นญาติกับพ่อแหละ oh. ที่มาวันพระเพราะเป็นประเพณีที่อยากจะเอาบุญกับพระจ๊ะ oh. ที่ให้พ่อเห็นได้เพราะเขาบันดาลให้เห็นเนื่องจากเคยเป็นญาติกันแล้วก็เคยทําบุญร่วมกันมา oh. จึงเห็นกันได้จ๊ะฝามือ ฟ่ามือฝ่าท้าของพ่อนี่มีกำลังภายในมากเลยเออมีจุดแดงเกิดขึ้นและพุพองเป็นหนองเหมือนแผลถูกไฟไหม้ละในอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อเคยแกล้งสุนัขนะดูที่สัตว์เนี่ยมีไว้ให้กินกับมีไว้แกล้งแต่แกล้งแล้วมีปัญหา ค, คือแกล้งจับมันโยลโนลงในกองถ่านออที่มีไฟระ อ, อุอยู่ออจนขาทั้งสี่ข้างของมันพุพองไปด้วยความร้อนของไฟ มีบา ก, กรรมนี้มาส่งผลจะทําให้กทําให้ามือฝ้าเท้าของท่านมาเป็ น, นกรรมส่งผลตอนไหนมันก็มาเป็นท่านั้นก่อนบ ร, รณภาพจนะท่านนึกถึงบุญได้ใจท่านจริงใสบวชปีเศษ็ ร, รณภาพแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานทองขนาดกลางกลางในบุญที่บวชแล้วก็สร้างพระธรรมกา ร, รเป็นจำตัวเป็นต้นจ้ะ ตอนนี้ท่านสบายใจเย็นใจยิ้มแย้มแจ่มใสฝากบอกมาว่าท่านสบายดีแต่เสียดายเสียดายที่ทำบุญน้อยไปน้อยไม่อย่างนั้นก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้ให้ทำบุญดูทิศไปให้ท่านหน่อยจ้า mm hmm. วานนั้นก็ต้องทำบุญดูทิศไปให้ทั้งทั้งพ่อทั้งแม่หลยพี่ชายวันทสาตั้งติดครุษสิปีเพราะเขาฆ่ า, า, าคนตายจริงๆจ้าในปัจจุบัน อีกทั้งนายดีตพิชารนนี้ได้เป็นเพื่อนรุ่นน้องของพ่อเองัแหละที่พ่อในชาตินั้นสอนให้เป็นนักเลง<อ>แล้วก็แนะ น, นําสิ่งที่ไม่ดีให้<อ>แต่ใ น, นชาตินี้เมื่อมาเมื่อมาเกิดเป็นลูกก็เลยล้างพลานทุกอย่างทําให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร้อนใจปัจจุบันได้ตายไปแล้วไม่ได้มาเข้าฝันหรือเป็นลูกของพี่สภพายคนโต พอตายไปแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหาระแล้คุมหเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ขึ้นมาฝันกําลังถูกเจ้าหน้าที่กลอก น, น้ำทองแดงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานและจะต้องลงไปอีกหลายขุมที่ยังไม่ได้ไปมหาระโลกในตอนนี้เพราะบุญบวชช่วงสั้นแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจเนี่ยได้คุ้มเอาไว้จ้านี่ไม่จ๊ะนี่ถ้าตั้งใจบวชสหน่อยแล้วก็จะคุ้มกว่านี้อีกเพราะลูกเกิดแม่ก็ป่วย และลูกเขาใกล้แม่ไม่ได้เพราะเขาใกล้แม่ทีไรแล้วจะต้องป่วยออด็แอดเพราะการนนดีตัวลูกเองเนี่ยชอบมากเลยพ ร, รากลูกสัตว์ที่ยังไม่หย่าน ม, มแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงเช่นลูกหมาลูกแมวที่บ้านเกิดไปใหม่ๆยังไม่ทันหย่านมเลย เ, เขาไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วทําให้มันไม่ได้กินนมแม่แล้วทําให้มันป่วยไม่แข็งแรงเท่าที่ควร แต่ลูกยังมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดามในะอดีตอุ้มชูไว้จึงทําให้ไม่ต้องถูกมอบให้คนอื่นเขาเลี้ยง<อ>คือพ่อก็เลี้ยงเองอแต่ก็โดนเพียงแค่ไม่ได้กินนมแม่และเขาใกล้แม่ไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่ง<อ>มันเป็นกรรมของลูกไม่ใช่กรรมของแม่จ้ะ<อ>ลูกทํากรรมลูกมาเนี่ยจ<อ>ึงเป็นอย่างนี้<อ>ลูกโชดน้ำมันพรายจากผู้ชายคนแรกที่ลูกหนีตามเขาไปจริงๆแหละจ้ะโดยกรรมสองอย่างคือ ในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้หญิงบนชาตินี้ได้เคยไปจ้างหมอสยเวททำเสน่อีกทั้งเคยเป็นแฟนกับคนนี้ในช่วงสั้นๆนะเคยเป็นแฟนกันมาเคยทำเสน่ห์เขาอ่ะในระหว่างที่รักกันก็ได้ธิฐานว่าดาริง่งขอให้เราได้เป็นสามีภรรยา ก, กันในชาติต่อไปนะ<อ>แต่ว่าในชาตินั้นภายหลังก็เลิกกันก็เรียกว่ารักช<อ>่วงสั<อ>้น รักช่วงสั้นมีลูกเด็กกันแล้วก็แยกกันไปเพราะมีบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จ้ะเพราะฉะนั้นอยากจะสร้างตลอดก็ต้องสร้างบุญร่วมกันไปตลอดนี่นะจ้ะลูกค้าขายแล้วก็เจ้งหมดทุกอย่างเลยแถมโดนโกองค่าแรงใครยืมเงินก็ไม่ได้คืนพระแนดีมิ ก, กรรมตรณีเป็นพื้นฐานนำมาส่งผลตรณีคือ เสียดายไม่ยอมทําทานไม่ยอมบริจาคคนยากคนจนก็นไม่ให้สงเคราะห์ยากก็ไม่ให้ทํากันเนื้อนาะบุญก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละเป็นพื้นฐานนํามาส่งผลอีกทั้งเวลาลับปากว่าจะทําบุญอะไรแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ทำนี่ทั้งทั้งที่มีเงินอยู่นะด้วยความตรณีอีกทั้งจะเคยขอยืมเงินคนแล้วก็มักจะขอลืมอ่า เลยเขาขอลืมบ้างแล้วก็เคยไปกองผู้อื่นมาด้วยนี่ไม่จช่วิบาการทั้งหมดมดังกร่าวมารวมส่งผลใช่<อ>ยศธนีไปเลยเงินก็มีไว้สําหรับเป็นเครื่องมือให้สร้างบา ร, รมีก็เลี้ยงชีวิตทําไม่เทอาจะมันไม่มีจนหรอกไม่ ท, ทําำจะจนทําไปเลยนี่ไม่จช่ลูกกับร่างต้องสาวคนหนึ่งเหมือนลูกและได้ขวัตพระธรมการพร้อมกันกับลูกสาวลูก รูกลักน้องสาว ค, คนนี้มากเพราะอ่ะเคยเป็นลูกมากอเคยเป็นกะไลมิตรให้กับตัวลูกจ้ะแล้วในปัจจุบันก็ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันจะ้ะตัวลูกน้องสาวและลูกสาวก็ได้เป็นกองสเสบียงอหมู่คณะมาแบบทำตามอารมณ์นี่ทเป็นทีทไม่ใช่ทําทีที บางทีแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันไม่เจอกันในอันตรายนะจ๊ะเพราะว่ามีมีอกาสได้สร้างบุญได้เต็มที่แต่นั้นชาตินี้อย่าประมาทในการสร้างบารมีจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปเดี๋ยวสิบบุรีวงบุญพิเศษโอเคพอเรามโพลิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสต์ดี้สั้นๆเลยจ้ะ